กราบบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโนผู้เป็นอุปชาขอกราระ้าจ า, า, า์ไพศาลครูบาอาจารย์พะระเถระเพื่อนกายามิตรและเจริญพรเป็นอย่างแม่ชีและญาติโยมทุกท่านฟังธรรมมาตามสบายวันนี้อาตมาก็จะพูดถึงหลวงพ่อคำเขียนเมื่อวานอาจารย์ตุ้มก็ได้พูดไปแล้วเรื่องหลวงพ่อช่วงที่ท่านป่วย จนถึงนาทีสุดท้ายของการมรณาภาพแต่ของอาตมาจะพูดคนละแบบกับขออาจารย์ตุ้มคือจะพูดเรื่องตอนหลวงพ่อไม่ป่วยเอาช่วงที่หลวงพ่อยังแข็งแรงอยู่ตลอดสิบกว่าปีที่อาตมาบวชกับหลวงพ่อจะเริ่มเริ่มนึกถึงความหลังอาตมาก็ไม่ได้เตรียมเรื่องมาพูดนะแต่วันนี้ก็จะพูดจากใจจริงกัดจากความรู้สึกเหมือนกันเจ็ดสิบแปดปีผ่านไป มีหลายค่าทุกเวลาทำประโยชน์ไม่อยู่เฉยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีละเลยไม่วางเฉยทั้งทางโลกและทางธรรมทาให้ดูอยู่ให้เห็นเช่นนั้นด้วยถึงกายป่วยก็มีสุขดูสดใสจิตยิ้มเองไม่เสแส้แกล้งหลอกใคร สิทธ์ทั้งหลายน้อมใจกาบวันทากิเลสเปียบเหมือนหมาสติเปรียบเหมือนช้างหมาเห่าช้างเห่าเท่าไรช้างไม่หวั่นไหวรู้ซื่อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรเห็นความคิดจิตอยู่อันนี้เป็นกรที่เรามาแต่งไว้วันเกิดหลวงพ่อ แล้วก็เป็นกองแรกในชีวิตตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะแต่งกองงานเผาซึ่งเป็นกอที่สองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่งอัตมารู้จักชื่อเสียงหลวงพ่อเมื่อปีสองหสามแปซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่วัดสวนแก้วกับหลวงพ่อพยอมซึ่งอัตมาตอนนั้นกำลังเริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆก็ไปเจอเจอในหนังสือล่มโพแก้วของวัดสวนแก้ว ซึ่งหลวงพ่อมเขียงก็เชิญคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโกโตดอกมีอาหารเลี้ยงยินดีต้อนรับเสมอแต่อาตมาประบวชเมื่อปีสองห้าสามเก้าอันนี้บวชครั้งแรกบวชกับหลวงพ่อปัญญาที่วชนประทานแล้วก็ไปอยู่สวนโมกซึ่งตอนนั้นอาตมาก็บวชได้ภาษาหนึ่งแล้วอาตมาก็สึกเพราะบวชตามธรรมเนียมเพราะเกิดนําไม่เคยบวชเพราะติดเรื่องงานเยอะมาบวชครั้งที่สอง เมื่อปี2541ท่านที่ตั้งใจจะบวชนานหน่อยก็บวชหลวงพญาเหมือนเดิมอุปชาคนเดิมบวชแล้วก็ไปอยู่สวนโมกและช่วงปลายปี2541อัตมาก็มีโอกาสกับเพื่อนที่สวนโมกว่าเราจะหาประสบะการณ์คือเดินหัดทุดงใช้ชีวิตอยู่ตามวัดดุ่นวัดนี้ตามป่าบ้างก็เลยมีอาจารย์ฉลองซึ่งตอนนั้นท่านภาษาเจ็เป็นผู้นา ท่านมีความสอดกับหลวงพอ่อขียนแต่ท่านไม่บอกหรอกจะพาไปไหนซึ่งตอนนั้นก็มีอาจารย์ชิดมาอยู่ก่อนแล้วอาจารย์ชิดมา่ก่อนก็เคยอยู่กับธรรมาริสสวนมกท่านก็สแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ท่านก็ไม่รู้จักหลวงพอ่อขีนเหมือนกันเพราะหลวงพอ่อขียนตอนนั้นยังไม่ดังสมัยนู้นว่าอาจารย์ไพศาลก็พอมีชื่ออยู่แต่ก็ยังไม่ถึงระดับดังคือมีชื่อมีชื่อเสียงแล้วตอนนั้นพราะธรรมารูร้รจักอาจารย์ตั้งแต่ปี254หี่หอาจารย์เขาไปเทศที่สวนโมก ก็นั่งฟังอยู่ที่หลหินโค้งด้วยหลวงพ่อจะรู้เฉพาะวงแคบรู้ในวงปฏิบัติชื่อเสียงไม่กระจายไปที่วัดผัวทองครั้งแรกในชีวิตเลยช่วงนั้นรู้ อ, อย่าไปปลายเดือนพฤศจิ ก, กาสองหาอากาศหนาวมากลมก็แรงมาถึงวัดอาจารย์ฉลองก็ไม่บอกนะว่าจะมาวัดผัวทองบอกก็พามานั่งรถที่แกงคอรถเที่ยวสุดท้ายรถหวานเย็นสองแถวก็พามาเรื่อย เราก็ไม่รู้จะพาไปไหนพอมาถึงมาถึงก็ประมาณทุ่มกว่าตอนแล้รถวิ่งชา้ารถที่สุดท้ายก็มืดละเพราะหน้าหนาวมืดไวสภานึงก็พาไปกาบหลวงพ่อเขียนกันยาาชิดก็วิ่งกับมาต้อนรับหาเพื่อนเก่าซึ่งก็ไม่คิด่จะพามาหาหลวงพ่อมเขียนนะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันมีเซอร์ไพรส์ก็เลยกลับหลวงพ่อแล้วก็นอนนอนวดผัวทองสองคืน วันที่สามก็มาที่สุข o s t ช่วงนั้นสุข o s t เนี่ยเราก็ไปพักที่หอตายเก่าหอตายเก่าเนี่ยน่ากลัวมากรกลางมีขั้งขาวมีตุ๊กแกตัวใหญ่อยู่แล้วยาก็ลกทางเดินแคบๆกลางคืนนี่เงียบสงัดบรรยากาศไม่เหมือนตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีสมัยนั้นน่ากลัวยังไม่มีสีื่อมือความสะดวกเราก็ไปนอนกันนอนรู้สึกนอนมาสามคืนมัน้งแล้วก็กลับ กลับไปจังหวัดเลยต่อคือตั้งใจจะไปพูกระดึงกันหลวงพ่อไปส่งที่แก้งคอแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็เป็นห่วงใครมาเนี่ยหลวงพ่อก็จะถ้ามีแขกมาหลวงพ่อจะมาสุกโตด้วยมาเทศน์ให้ฟังมาสอนธรรมะอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อซึ่งวันนี้ธรรมาจะพูดนิสัยเด่นๆของหลวงพ่ออยู่สักสามสี่อย่างคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่ อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ ข, ขี้เกีงใจแล้วก็มีอยู่บายสอนสิทิ์ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ทาให้ดูอยู่ให้เห็นอันนี้เราจะพูดไปเดีนหลกัหลกๆให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่อาจมาสัมผัสมา ก, กับตัวเองนะหลวงพ่อเนี่ยสมัยที่อันมาใหม่หลวงพ่อเนี่ยเป็นคนยกมือหรือไหว้เร็วมากอย่างที่อาจารย์ชินพูดอะ บางทีหลวงพ่อยังไม่พร้อมที่จะไหว้หลวงพ่อรีบไหว้ไหว้ไหว้คนที่มาไหว้พระที่มากราบก่อนท่านที่หลวงพ่อพรรษามากกว่าหลวงพ่อตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสตำบลด้วยอันนี้คือจุดเด็กของหลวงพ่ออาจารย์ชินบอกเอามาฟังว่าหนักมากรับไหว้หลวงพ่อเนี่ยบางทีต้องรีบไหว้หลวงพ่อก่อนต้องเร็วกว่าหลวงพ่อถึงจะไหว้หลวงพ่อทันพอรับไหว้หลวงพ่อแล้วหนักอันนี้กว่าอ่อนน้อมของหลวงพ่อคือท่านจะไม่ค่อยถือตัว บางครั้งก็สามารถนอนตรงไหนก็ได้หลวงพ่อไม่เคยถือยศถือศักอะไรเป็นพระติดดินและเป็นคนขี้เกียใจความขี้เกียจใจหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ใช้สิทธิ์ไม่ใช้งานลูกศิษย์คนไหนเลยถ้าหลวงพ่อทําเองได้ถ้างานนั้นไม่ใหญ่เกินตัวนะอย่างลามาเคยช่วยงานหลวงพ่ออยู่ครั้งหนึงที่หลวงพ่อกาลังปลูกต้นยางที่รอบสักตอนนั้นฝนกําลังตกตอนแรกก็ตกไม่หนักแต่ตอนหลังก็ตกหนั ก, กเรื่อยๆ อันมาขอหลวงพ่อผมจะช่วยหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไม่สบายกลับไปกลับไปอันมาไม่ยอมอันมาก็เลยช่วยหลวงพ่อไปหาเอาต้นไม้มาช่วยหลวงพ่อปลูกทําการสายฝนนั่นแหละปี๋อังสองคนแหละก็เลยหลวงพ่อเป็นตัวอย่างให้ดูว่าหลวงพ่อเน่ยเก่งใจคนมากบางครั้งเนี่ยถ้าหลวงพ่อใช้งานลูกศิษย์เนี่ยก็คืองานที่หลวงพ่อทำไม่ไหว เมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเห็นหลวงพ่อเนี่ยตื่นเช้ามายามหน้าหนาวหลวงพ่อถอดเสื้อนะแล้วขุดดินที่เป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะเพื่อให้ดินราบเรียบบางครั้งก็อยู่คนเดียวแหละเอาเอาพ้าเนี่ยไปฟันพวกเถาวัลที่รกๆที่ผ่านกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่หลวงพ่อเป็นคนรักต้นไม้แล้วก็ไม่ชอบวัตถุพืชอ่ะมาสร้างความลาบากให้ต้นไม้ต้นใหญ่ หลวงพ่อจะเอาออกตลอดซึ่งเราจะเห็นประจำล้วหลวงพ่อก็ไม่ให้คุูอื่นทำด้วยนะหลวงพ่อจะทำเองอันตมาไปขอช่วยหลวงพ่อก็ไม่ให้ช่วยเรื่องกุดยินเน่ยคือหลวงพ่อชอบทํางานประคั้นหลวงพ่อก็จะใช้กะลามะพร้าวเนี่ยผ่าครึ่งแล้วหลวงพ่อถูสาลาเองซึ่งตามหลักแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ต้องทาก็ได้แต่หลวงพ่อชอบชอบท็ถูไปถูมาก็ไม่มีลูกศิษย์คนไหนช่วยนะเพราะหลวงพ่อไม่ให้ช่วย หลวงพ่อเก่งใจแล้วอยากออกกำลังกายชีวิตหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วหลวงพ่อเนี่ยจะมีบายสอนลูกศิษย์ที่ไม่เหมือนใครสมัยก่อนหลวงพ่ อ, อยังแข็งแรงอาตมาอยู่เบอร์สิบสองซึ่งก็กไกลเหมือนกันจากนี่บายอยู่หลังเขาคนที่อยู่ก่อนอาตมาเนี่ยเขาเอาเชือกเอาลวดสลิงเนี่ยมัดต้นไม้จนเป็นรอยมัดเขาลึกอย่างลึกเลยหลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปหลวงพ่อไม่บอกอะไรแล้วหลวงพ่อ อามาก็ไปทำอย่างอื่นล่ะหลวงพ่อก็แอ บ, บแกะอันนั้นเป็นลาวตักผ้าซึ่งหลวงพ่อสงสารต้นไม้หลวงพ่อแกะหลวงพ่อก็ไปคือหลวงพ่อไม่สอนตรงตรงไม่ไม่ดูแต่ทําให้ดูบอกอย่าทํางนี้นะต้นไม้ก็มีหัวใจอันตาก็ไปหาที่ผูกใหม่แล้วก็ไม่ได้แก้ตัวมีครั้งหนึงอันาหลวงพ่อไปที่กุดอันตรานี่ยอ า, อามาเอาลวดมามัดต้นไม้แต่ก็มัดไม่ถึงกระลึกหลวงพ่อก็ไปแอ บ, บแกะเหมือนกันลวดมาอยู่ข้างล่าง อธมาก็เปลี่ยนที่ไปมัดที่อื่นที่ไม่เกี่ยวต้นไม้อะไรไปมัดพวกต้นไผ่แทนคือหลวงพ่อเนี่ยถ้ท่านจะไม่บอกตรงๆหลายหลายครั้งหลายเรื่องอย่างอธมาจะพัวพายกับหลวงพ่อมากก็เรื่องหลวงพ่อไปอุปชาอธมาเนี่ยเป็นพระ ก, กรรมวาจาจารย์ซึ่งม็นหน้าที่ต้องบวชนาคหลวงพ่อเนี่ยใช้อุบายสอนอธมาหลายเรื่องอธมาเนยศ จ, จะให้ศีลเนี่ย คือเวลาให้ศีลเนี่ยจะสวดเพี้ยนหลวงพ่อก็เห็นว่าเอ๊ะทําไม่ถูกก็ให้หัดต้งหลายรอบนโมก็เหมือนกันหลวงพ่อต้องการนาโมห้าห้าชั้นบ้งซึ่งก็สวดยากซึ่งอานนาอดอดหลวงพ่อว่าด้วยเรื่องเรื่องนี้เพรหลวงพ่ออยากให้ลูกศิษย์เก่งอานมาไปคู่สวดตั้งแต่ปีสองสองห้าห้าสามนี่ก็หลายปีแล้วจนถึงห้าเจ็ดซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอานนาราชการต้องซือสวด คือสวดพอได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มั่นใจซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ชอบหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าผู้สวดเนี่ยจะต้องสวดปากเปล่าได้แล้วก็ต้องคล้องอับาลกลังกลางหนังสือสวดอยู่หลวงพ่อนี่ยเค่อยมาดึงจากมือเลยแหละตอนนั้นสวดไปได้ครึ่งหนึ่งไอ้ที่เหลือเลยต้องสวดปากเปล่าจะจบที่มันก็พอเอาตัวรอดได้อยู่เพราะถ้าเราไม่ทิหนังสือเราจะสวดมันได้เป็นอยู่นั่นแหละต้องกางหนังสือดูตลอด แล้วก็หลวงพ่อก็ให้เด็มาเนี่ยสวดทำมาจากร้อยจบที่ลายหินโคง้งทั้งแปลและไม่แปรซึ่งก็เล่นเอาผ้าที่วัดเนี่ยไปสวดคอคือแลบวบมหมดอะ่ะพอสวดตั้งแต่หลังฉันเช้าบางทีจะถึงจนถึงเพงสวดสองชั่วโมงกว่าก็ได้แปดเก้าจบไม่แปลนะ รอจบก็ปาเข้าไปหลายวันซึ่งหลวงพ่อเนี่ยจะชอบทำมะาจักมากเป็นบทที่หลวงพ่อรักแล้วก็ทํำมาปาหางสองบทด้วยหลวงพ่อชอบซึ่งอาตมาจะพูดพลากับหลวงพ่อเรื่องสวดมนต์แล้วก็โดนหลวงพ่อ ด, อดุตรงที่ว่าทํางานไม่ทันใจพระอาตมาเป็นคนทํางานวางแผนแตหลวงพ่อเนี่ยไม่มีวางการวางแผนหลวงพ่อทํางานเฉพาะหน้าอย่างบางครั้งคนมาบนน่นนาคด้่ยเจ้านาคก็ไม่ได้เตรียมตัวไปเลย บางทีกอนหัวเสร็จทะเบียนก็ไม่ได้ลงบางทีรีบลงอุตลุดลงเสร็จหลวงพ่อรีบขึ้นโบสถบางทีต้องลงทะเบียนตอนนั้นอ่ะบางทีเตรียมอะไรไม่ทานหมดอัลมาโดนดุไปจานเมื่อก่อนเอาะว่าไหนอาจารย์ตุ้มไปด้วันนั้นถึงจะรอดตัวเพราะอาจารย์ตุมทำงานท่านจะเก่งเรื่องพวกนี้แต่หลวงพ่อดุลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ดุแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อดุจริงแต่ใจหลวงพ่อไม่ดุนะคือหลวงพ่อก็องการดุให้ลูกศิษย์เก่งคือท่านคนละเอียด บางอย่างที่เรามองข้ามมันหลวงพ่อจะมองจะมองออกอย่างอาตมาเนะี่ยชอบสะพายย่ามบางทีก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยหลวงพ่อดุประจะําแอ่ะไอ้สะพายย่ามสะพายย่างนี้พาจิโก้ะนะบองที่หลวงพ่อดุเลยหลวงพ่อเห็นเนี่ยตอนหลังอาบาเห็นหลวงพ่อที่ต้องสะพายย่ามนี้ไม่ได้หรือเอาจีวรพาดคอเนี่ยทึ่งพาดในวัดไม่รู้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อดุหมดแหละใครเอาจีวรแล้วพาดคอเดินไปอะ่ะ คือดูไม่เรียบร้อยลุ่มล่ามซึ่งหลวงพ่อเองจะแต่งตัวเรียบร้อยเอาเอาเอาผ้าเดี๋ยว ม, มัด อ, อกด้วยคือนิสัยหลวงพ่อเป็นคนละเอียดอันนี้เป็นจุดเด่นของหลวงพ่อคือทําให้ดูอยู่ให้เห็นการเดินการเห่อของหลวงพ่อจะละเอียดหมดการฉันอาหารซึ่งบางคนไม่รู้เนียหลวงพ่อบอกอยู่เสมอว่าเวลาหลวงพ่อฉันอาหารอย่ามากราบนะเพราะมันีครูบาอาจารย์ยกาลังฉันอาหารอยู่ท่านไม่พร้อม ถ้าเราไปกราบถ้าก็ถ้าก็ยกมือรับไหว้ด้วยซึ่งเสียบรรยาหรือหลวงพ่อแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่ามากราบนะอันนี้ก็บางทีภาพบางคนก็ไม่รู้เห็นหลวงพ่อกำลังกำลังใส่อังสาตัวเดียวกําลังลดดับต้นไม้ก็ไปกราบซึ่งหลวงพ่อต้องมันไม่พร้อมเป็นวินัยสงฆ์บางทีกราบครูบาอาจารย์ก็ดูกราเทศเหมือนกันสิบางคนก็ไม่รู้า ก, าร ก, ร ก, ร ก, กราบรารรกราแหลกอยากกราบแต่ก็ทำจากใจจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาควรไม่ควรหริครูบาอาจารย์แต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่อังสาตัวเดียว เราก็ไปกราบท่านถึงท่านก็ไม่สะดวกแตทท่ท่านแต่งตัวเรียบร้อยอยู่ในพิธีเนี้ยเราไปกราบได้อันนี้ถวบนสองฝ่ายคือท่านทําให้ดูอยู่เห็นตลอดหลวงพ่อเป็นคนรักต้นไม้มากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอันมาอยู่สวนโมกเนี่ยที่นู่จะมีมนแทดชิกอันมาติดทีสัยไปจากสวนโมกถ้าวันสําคัญทงางศาสนาเนี่ยอันมาก็จะมาถวบอาเพียนทั้งคืนซึ่งในวัดเนี่ยก็ไม่มีใครถามหลอกเี้ย่ันมาทำคนเดียวแหละเพราะว่ามันติดทีสัยมา เมื่อก่อนอยู่ช่วงหนึ่งวันสําคัญทางศาสนาอาณาาก็มาเดินจงกรมที่หินโค้งหลวงพ่อก็นอนด้วยหลวงพ่อก็นอนกลางเต็นท์ที่หินโค้งอ่ะรู้สึกประมาณตีหนึ่งบ้างหลวงพ่อตื่นมาลดน้าต้นไม้ตรงลายหินโค้งอ่ะอาณมาก็เดินไปหลวงพ่อก็ลดน้ำต้นไม้ให้ไปอันนี้ความรักต้นไม้ของหลวงพ่อแต่ช่วงหลังอาณาาก็เลิกแล้วเพราะเมื่อก่อนช่วงเมื่อหลายปีก่อนอาณมาจะจะทำนี้ตลอดช่วงวันสำคัญทางศาสนาเนี่ย เราก็จะปลารูความเพียรในแต่ชิกมาช่วงหลังร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อดนอนไม่ไหวก็เลยเลิกไปแต่เมื่อไหลายพี่ก่อนมาทํานี้ตลอดนะเพราฝึกถูกฝึกมาอย่างนั้นวันมาพะบูชาวันวิสาบูชาหรือวันที่สําคัญสาคัญเนี่ยเราก็จะไม่นอนทําความเพียรทั้งันสว่างซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็มีสิทธิ์หลายคนในวัดที่หลวงพ่อสอนแต่สอนไม่เหมือนกัน คือหลวงพ่อจะดูนิ ส, ยสัยศิษย์ว่าลูกศิษย์มีจริตนิสัยไปทางไหนบางคนชอบธรรมะชอบปฏิบัติหลวงพ่อก็จะพูดแต่เรื่องกรรมฐานอารมณ์ปฏิบัติบางคนชอบทํางานหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องทํางานคือหลวงพ่อดูนิสัยคนว่าคนนี้ควรจะสอนแบบหลวงพ่จึงมีทุกรูปแบบให้เลือกในวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยจึงมีมีพระที่เป็นทํางานแล้วก็พระกรรมฐานพระเผยแพร่ มีทรูปแบบาาพระวัดเราหลากหลายแต่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยจะเก่งคนละด้านในวัดเนี่ยก็มีตอนนี้หนะ้าที่บวชกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อเป็นอุปชาก็มีอาตมาอาจารย์ตุ้มที่เป็นสิทธิ์รุ่นแรกสิทธิ์รุ่นกลางก็มีอาจารย์ตรงหมิงแต่ส่วนพระรุ่นพี่ที่ภาษามารถอาตมาอย่างอาจารย์ทรงศีล อาจารย์ราชชั ย, ายอาจารย์โนตอาจารย์ยุกินี่ไม่ได้บวชกับหลวงพ่อเพราะช่วงนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้เปอุปชาหลวงพ่อเป็นอุปชาประมาณสิบกว่าปีที่จะบวชจริงๆรุ่นแรกเนี่ยก็มีอาจารย์จ่อยแล้วก็อนามาบางคก็สือกับบวชแล้วอนามาเคยเคยขอที่สสยกับหลวงพ่อบอกให้ดุอนามาได้ด่าได้อย่าได้ชมเพราะว่าการชมเนี่ยทําให้เหลิงซึ่งหลวงพ่อก็ดุอนามาจริงๆนะในวัดได้ดุมากที่สุดไม่ชมคน อ, อ, อื่น เพราะว่าการดุของครูบาอาจารย์เนี่ยทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้การชมเนี่ยเหลิงนั่นแหะมาหลวงพ่อเจอหน้าเรามาดุแล้วทําอะไรลูกลี้ลูกโลนซื้อบื้อหลวงพ่อจะพูดประจามเกับลูกศิษย์ซื้อบื้อลูกลี้ลูกโลนซึ่งอามาก็ลูกลี้ลูกโลนจริงบางทีก็โฉงชางทําตัวไม่สํารวมอันนี้เป็นทีสัยเป็นทีสัยของอาตมาหลวงพ่อเห็นเข้าหลวงพ่อก็ดุซึ่งไม่เรียบร้อยแต่ช่วงหลังอาตมาก็หันมาปลูกต้นไม้ ชื่อหลวงพ่อรักต้นไม้หลวงพ่อก็ใช้งานออกมารดน้ําต้นไม้อะปลูกต้นไม้อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่อาจมาจะมาหันมาทำเฟซบุ๊กนะหลวงพ่อเนี่ยให้สมบัติการละมาอีกสองอย่างในชีวิตหลวงพ่อนะคือให้เสียมหนึ่งอันเสียมเหล็กแล้วก็มีผ้าหนึ่งอันที่หลวงพ่อให้กับมือเลยถือว่าเป็นบรารดกตกทอดทุกวันต้องเก็บมาอยู่ที่กุฏิซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าละมาชอบชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ เราก็ชอบสวดมนต์ในวัดเนี่ยที่พัวพันุ์ก็มีเรื่องสวดมนต์ถ้าเป็นงานด้านอื่นอย่างด้านกรรมฐานก็เป็นอาจารย์อาจารย์โนต้ตไปอาจารย์ตุ้มคือหลวงพ่อใช้งานแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพราะแต่ละคนรักไม่เหมือนกันเราจะไม่แข่งขันกันเพราะอย่างนบมาเนี่ยในวัดเนี่ยนบมาก็ไม่ได้สอนใครนะส่วนมากสอนตัวเองในเฟซบุ๊กเนี่ยที่เดินมานำข้อเขียนอาจารย์ไปสายไปลงนํำข้อเขียนหลวงพ่อไปลงเนี่ย เพื่อเตือนใจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยข้อเขียนของครูบาอาจารย์ที่เรานําไปลงช่วยเราได้อย่างามาเจออารมณ์ที่กระทบมากที่สุดเพราะคนเราเนี่ยจะจิตแบบคิด ท, ทางลบอย่างคนมากดไลค์เราเนี่ยบางทีหลายร้อยไลค์หรือเกือบพันไลค์ก็มีแต่คนมาดา่าเราแค่สองไลค์เนี่ยแย่แล้วเพราะจิตเนี่ยนไนไปเกาะ อ, อารมณ์ที่ไลค์สองไลค์นี่แหละมันไม่มันไม่ไปดีใจกับไอ้ที่คนมากดชมต้องพันไลค์ ซึ่งอันนี้เป็นเป็นกับทุกคนนะบางคนได้ชมเราทั้งวันเนี่ยแหละเกิดใครมาด่าเราคนนึงเนี่ยจิตตกเลยเพราะคนโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจิตมันจะคิดเรื่องลบแล้วก็เลือกหน้าแตกอตัวตามามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านการหน้าแตกมาละมาจนแบบชินชาแล้วตั้งแต่หัดสวดมนตน์ในว่ายพอบรรษาเริ่มมากขึ้นเนี่ยต้องเป็นผู้นําตัวเองก็เป็นคนขี้กลัวมือก็สวดมนต์ทีก็ใส่เสียงเสริมสานหมดแหะ ล้มบางทีก็ล่มบางทีไม่ล้มก็ผิดแต่ระบาก็ก็ยอมทําไปสิงตัวเองเนี่ยกลัวแนละ้วจนก้าข้ามความกลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวคนมาว่าเรากลัวหน้าแตกมันทําไม่ได้นะมันเลิกเลยทำครั้งหนงครั้งก็ถือว่าบายแล้วเราไม่เราไม่เจอเอีกแล้วเราจะไม่ถางานแบบนี้อย่าเราไม่ไมท้อเราก็พัฒนาตัวเองบดไหนตอนที่ไหนสวดผิดเนี่ยแล้วก็เออครั้งหน้าแก้ตัวใหม่เราต้องสวดให้ดีกว่าเดิม มันเราต้องสวดมนต์เนี่ยเราต้องอาตมาขี้่เสมอว่าจะต้องใหม่ทุกครั้งเพราะบางทีเราออกเสียงผิดได้แล้วช่วงบางครั้งเสียงเราก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันบางทีไม่สบายมั่งอะไรมั่งมันเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดการเทศก็เหมือนกันการเทศอาตมา ก, ก็จะเน้นผู้ฟังมากกว่าเพราะว่าผู้ฟังฟังเราแล้วฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยการเทศไม่มีเกิดประโยชน์ไดเลยคือเราไม่เดินทางร่ว ม, วมกันผู้ฟังกับผู้เทศเนี่ยจะต้อง ก็ไปด้วยกันได้บางทีผู้พูดเนี่ยพูดเรื่องเหล่าเต้งพูดเรื่องนิพานแต่ผู้ฟังฟังไม่รู้เรื่องการเทศก็กลายเป็นเรื่องที่ผ่านหูซ้ายถือขวาไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันมาจึงเน้นเรื่องคุดอธรรมเรื่องความประตันอยู่แล้วก็เรื่องการทำบุญต่างๆแล้วการไม่ประมาทในชีวิตอันนี้เราจะเราจะเทศเรื่องพวกนี้บ่อยมากพิจารณาความตายความเจ็บป่วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กล้เคียวกับชีวิตปะจํา บ, บันของทุกคนแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับมรรคผลทีล่ผ่านเราก็ให้อาจารย์ที่เป็นผูร้รู้ท่านพูดก็แล้วกันเราก็จะไม่พูดไม่แตะเรื่องพวกนั้นพอ่อารมาก็ยังหลงอยู่ทุกวันนี้เราก็พูดเท่าที่เรามีความรู้พูดใ น, ในฐานะผู้ ด, ดชนทั้งการท Facebook ของธรรมาเนี่ยจึงมีประโยชน์ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆแต่อุปสรรคมันเยอะนะเพราะตอนแรกคนไม่เห็นด้วยเยอะแต่อัตมาก็ผ่านอุปสรรค ตรงที่ว่าลองผิดลองถูกจนมาถึงทุวันนี้ก็คนก็ติดตามอ่านคืออนุมาเริ่มตั้งแต่ถ่ายรูปไปเป็นอะ่ะถ่ายรูปไปจนคนก็แซวอะ่ะฉากหลังก็เป็นวิชัยนี่บอกบอกเลยบอกว่าอนุมาถ่ายรูปห่วยมากฉากหลังจากเลยไม่มีหัวติดคือตอนใหม่ๆนี่มันต้องมีผู้รู้ชี้ชีแนะแต่แต่คําของคนที่เก่งกว่าสอนเราเนี่ยพัฒนาเราได้ทีเลยนะเพราะเราถือว่าเป็นผู้ชีข้ขวัญซับ แล้วก็อาจารย์ของอนามาก็มีหลายคนอย่างเต่าก็เป็นอาจารย์อนามาเพราะว่าบางทีตัดแต่งรูปเนี่ยเอ๊ะมุมมุมรูปนี้ไม่ได้อยู่ผิดตำแหน่งเราเอาพื้นมากไปแล้วบางทีหัวหัวคนเกือบชนอะไรเงี้ยวิสัยทัศน์ในการมองรูปที่เราโพสต์เนี่ยซึ่งเต่าจะเก่งมากเรื่องนี้อนามาก็จับจากจา ก, จากเต่ามาตอนเนี้อนามาทุกรูปที่เราลงในเฟสเนี่ยภาพจะสมบูรณ์แบบเพราะว่ามุมกล้อง แล้วการตัดคือคนที่อยู่ในรูปจะไม่อื่นอัดถ้าคนถ่ายไม่เป็นเนี่ยจะทำให้รูปเนี่ยทับแคบบ้างหัวติดบ้างฉากหลังไม่ได้บ้างภาพไม่คมชัดบ้างซึ่งมีหลายอย่างซึ่งอันนี้เป็นงานที่ฝึกเราแล้วก็ารามรู้ต่างๆบางทีอัตมาก็เอาคามรูร้จากเฟซบุ๊กเนี่ยมาเทศเอาทิทานเอาคามรูร้จากหลายที่ที่คนอื่นเโพสอะบางทีก็ามาเล่าให้ฟังบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่าอัตมาเนี่ย สามารถเทสไม่ซ้ำกันได้แต่ละครั้งก็พอาะเฟซบุ๊กเพราะอนามาใช้มองเรื่องที่คนอื่นมองไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะใหม่เสมอพูดกยมทีไรเนี่ยทุกเรื่องมีเรื่องพูดทุกทุกครั้งอนามาก็ลองลองฝึกเทสอนามาเริ่มเทสภาษาสิบซึ่งถือว่าช้ามากเลยวัดเนี่ยเพิ่งมาตามหลังพวกอาจารย์โน้อาจารย์ตุ้มเนี่ยเมื่อสองสามปีนี่เองนอกนั้นก็อนามามีใครรู้จั ก, จกหรอกในวัดเพราะว่าเทสก็ไม่ได้เทส คือว่าเป็นพารที่ว่าคือเป็นพาร์กรรมกรก็ได้พวกปลูกต้นไม้ฝาดท่นฝา ด, ฝา ด, ฝาดลานวัดคือโตช้าแต่การโตช้าของเราก็ก็ไม่เป็นไรอย่างผู้อาจารย์โนจันตุ้มเนี่ยเป็นอาจารย์เนีภาษาหนึ่งภาษาสองแล้วหลวงพ่อปั้นให้ถัดเทศแล้วก็เดินทางไปสอนธรรมที่ต่างต่างคือคือจะโตเร็วแบบต้นไม้ปลูกแล้วโตเร็วอนบาเป็นต้นไม้ให้โตช้าแต่ต้นไม้ต้นที้โตช้าก็ก็เราก็ช่วย ทำประโยชน์ให้วัดได้เยอะอยู่คือทำงาทุกวันนี้ก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่หลายอย่างคือเสนอข่าวข่าวในวัดข่าวขา ว, ข, า ว, ข, าวของหลวงพ่อตอนป่วยให้คนในโลกได้รับรู้แล้วก็ถ่ายรูปต่างๆคือรูปหลวงพ่อเนี่ยช่วงที่หลวงพ่อป่วยจนถึงมรณภาพเนี่ยนำมาถ่ายเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นรูปประวัติศาสตร์เลยซึ่งคนอื่นอาจจะมองข้ามจุดนี้ไป อนามาไม่ได้มองข้ามอันามาบอกว่ารูปหลวงพ่อทุกรูปที่เราถ่ายเนี่ยมีประโยชน์หมดแต่บางที่อุปสรรคก็เยอะนะโยมูก็ไม่ให้ออนามาถ่ายง่ายท่านก็คอยเห็นอนามาถือกล้องมานี่วิ่งมาดูะไอนั่นละจัดสไตล์อนามาก็ไปทอน่าไปเยี่ยมหลวงพ่อบ่อยว่ากูอยู่ใกล้กันบางทีวันแล้ววันเล่าที่ทําหน้าที่เพราะงานบางอย่างเนี่ยก็มีอุปสรรคไม่ใช่ทําง่ายหรอกแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามอ่ะือทําด้วยใจอ่ะด้วยใจที่เป็นบุญเรกุศลธรรมทาน มันก็รู้ล่วงได้เพราะตอนนี้คนก็เลยคุณค่าของรูปหลวงพ่อแนละ้วมีคุณค่าที่อาตมาถ่ายไว้เนี่ยเดี๋ยวคนต้องมาขอแล้วก็เสียงธรรมของอาจารย์ไปสารอาตมาก็ทุกวันนี้ก็อัปเดตคือเทศแล้วอาตมาไปลงเลยให้คนเนี่ยได้ฟังสดๆซึ่งมันได้ลมกว่าเมื่อก่อนของอาจารย์เนี่ยเก็บไว้ต้องครึ่งปีกว่าจะเผยแพร่ทางแผ่นซึ่งนานมากสมัยที่ยังไม่มีเฟซบุ๊กแล้วก็ทํำมาฉันเช้าซึ่งเป็นไอเดียอาตมาเองแหละชื่อว่าอาจารย์เทศ สั้นๆซึ่งไม่ยาวเกินไปซึ่งคนไปฟังก็ได้เกิดประโยชน์แล้วก็สะดวกซึ่งตอนนี้คนติดคนติดตามฟังธรรมะฉันเช้ากันมากซึ่งตอนนี้ก็เราก็ส่งไปให้ทางชมรมเพื่อนกุณธรรมทำแผ่นแล้วก็ชมรมกัรญาณธรรมทำแผ่นซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยสามารถสามารถได้ประโยชน์จากสื่อที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข่าวเสียงธรรมครูบาอาจารย์ข้อคิดธรรมะจากอาจารย์ไพศาล ซึ่อมัยก็เน้นสอนตัวเองนะเพราะอนามัยปูุ่ชนอยู่บางทีปูุ่ชนก็หลงอ่ะต้องอยู่ในโลกธรรมฟูฟูแฝบข้อคิดขอเขียนเนี่ยจะสอนเราได้ขออาจารย์เนี่ยอนามายเน้นเลยมีมีมีไม่กี่คำหรอแต่จะอนามายจะลงอยู่บ่อยก็คือวางใจให้เป็นเพราะคนเราจะวางใจไม่ค่อยเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยหรือสถานการณ์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรอกความทุกข์อยู่กับคคิดเราเองแต่ถ้าเราวางใจผิดปุ๊บ ความคิดปรุงแต่งไม่จะทำเราทุกข์บางครั้งหน้าแตกเราก็ต้องมีอารมณ์ขันซะบ้างว่าอารมณ์ขันได้ช่วยได้นะในการลดอัตราตัวเองเพาบางทีเราเนี่ยจะพองว่าเราเนี่ยเก่งนะมีชื่อเสียงบางทีก็เหลิงเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราเนี่ยหันมาดูตัวเองเอ้ยเราเป็นพระธรรมดาติดดินนะทุกวันนี้เราก็ต้องฝึกตัวเองบางทีใต้ครูบาอาจารย์ดุด่าบ้างเพื่อจะได้ไม่เหลิงเพราะถ้าเหลิอเนี่ยจบเลย คน น, นค น, น, นยกอ่ะอาจารย์อย่างวุ้นอาจารย์อย่างนี้อาจารย์เนี่ไม่มีธรรมะเลยบางครั้งอาจารย์ก็หลงเหมือนกันอาจารย์จะไม่เคยสอนใครอะไรหรอกในวัดเน้นสอนตัวเองใครมาเรียนกรรมานมาก็ให้พีู่้น่ะไปสอนไปเรียนกับอาจารย์วิรชชยอาจารย์โน้ตไม่ไม่เคยคิดคิดสอนใครเพราะว่าเราสอนคนอื่นอ่ยชีวิตเราก็ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเกิดโยมติดอารมณ์มาเราต้มาตามแก้อารมณ์ให้เพราะแต่ละคนจะมีวิบากมีกรรมเมือนตัวเองเพอปฏิบัติธรรมพออารมณ์กรรมานขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวเห็นหนูน่นเห็นหนี่มาแก้กันไม่จบยุ่งเลยเพราอ่อมาเคยเปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยผ่านอารมณ์ต่างๆเยอะเหมือกนกันเมื่อจะไปอารมณ์เสียงแยกเ ห, เห็นเห็นอะไรต่างๆเนี่ยฝ่ายนั้นมาทำเนี่ยเลยรู้เลยปัญหาเยอะกว่านักปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนเคยเคยหลงขี่โอเต้บลูทำนะไปดักหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนอยู่กุดหลวงตากรมเนี่ยจริงๆมันไม่รู้หรอกแต่ว่าจิตมันหลอกอยากให้เป็นอาจารย์ อยากสอนคนนู้นอยากสอนคนนี้อัตมาก็ไปคุยหลวงพ่อฟังเนี่ยบางทีเล่านู่นเล่านี่เห็นนู่นเห็นนี่มีอยู่ครั้งเนี่ยอัตา ม, มาจิตรวมนั่งอยู่กุฏิเนี่ยช่วยแลกเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์หลายวันแล้วจิตจิตมันรวมแบบเปิดที่ออนอยู่แสงมันสว่างไปทั้งกุ่นเลยจิตมันรวมเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นดวงเดียวอยากไม่เล็กเล็กเนี่ยพลิ้บเดียวเนี่ยแล้วมากลัวนะเพราะตัวเองไม่วเเคยเห็นเจอเหตุการณ์างนี้มันก็พยายามออกจากสมาธิมันสมาธิมันเกิดเองโดยที่เราอ่ะช่วงนั้นก็สวดมน จิตมันชอนบ้างอะไรบ้างธรรมดาถ้ายกมือไป ม, มันไม่เป็นหรอกพอเลิกยกมือเลิกเดาจงกรมเนี่ยมันเป็นเลยมันพุ่งเข้ามาเลยจิตรัวไปสมาธิไปเลาใหลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกทําไมถึงโง่อย่างนี้ทำไมไม่ดูเพราะธรรมดาแล้วเราน้อจะน้อจะดูพยายามไม่ควรถอยจากสมาธิซึ่งอารมณกรรมาฐานเนี่ยจะสร้างปัญหามากบางคนเนี่ยจะติดอารมณ์แล้วคิดว่าตัวเองรู้ทำแต่จริงไม่ใช่ความคิดหรอก เราจะเราจะรู้ความขี่หลอกกคือเตือนตอนเราเกิดอารมณ์จิตตกเกิดอารมณ์ที่เสียใจอารมณ์ดีใจเกินเหตุและอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธด้เห็นง่ายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีหลวงตายคนหนึ่งชิว่าตัวเองบรรลุธรรมมาสอนหลวงปู่ดุลบอกบรรลุธรรมแล้วพูดโน้ตพูดนี่ต่อหลังหลวงปู่ดูลด่าพอด่าแล้วโกรธจึงรู้ว่าเอ๊ะเราไม่บรรลุธรรมเนี่ยบทีครูบาอาจารย์ท่านรู้นะ แต่ถ้าใช้อุบายสอนสอนตรงตงไม่ได้หรอกพวกบรรู้ธรรมพี่ว่าตัวบรรลุธรรมเนี่ยต้องทําให้โกรธก่อนเพราะเขาบรรลุธรรมมั น, นจะไม่โกรธแล้วก็จะไม่แข็งจะอ่อนน้อมถ่อมตนแบบหลวงพ่ออ่ะคืออย่างที่อย่าง ท, างที่ก่อนที่จะมาแต่งเนี่ยคือจะทําให้ดูอยู่ให้เห็นที่หลวงพ่อมีสโลแกนว่ารู้ซื่ อ, อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้เป็นสุวราการหลวงพ่อรู้ซื่อซื่อก็หมายถึงว่าเราเนี่ยรู้ไม่ซื่อไงพอรู้ ความคิดปุ๊บไปปรุงแต่งต่อยาวเหยียดยาวเหยียดเลยก็เลยรู้ไม่ซื้อแต่รู้ซื้อมันก็ตัดเดี๋ยวนั้นเลยเห็นปุ๊บกะจบคิดจะด่าคนนี้เอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรนะ้อแล้วก็โยกเหตุการณ์อั น, น้รู้ไม่ซื่อละมันปรุงไปไกลแล้วแต่ถ้ารู้ซื้อปุ๊บเห็นปุ๊บมันก็ตัดอันนี้อันนี้ถ้าเรามีสตินะแต่ไม่มีสติก็ยาวเหยียดปรุงเป็นเรื่องรู้เรื่องนี้ทั้งวันอะ่ะอันนี้เขาแล้วรู้ไม่ซื้อที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้า หลวงพ่อเนี่ยก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีทําให้ดูอยู่ให้เห็นแต่ก็าเกิดเราเนี่ยมีความคิดเองนะเราก็จะเข้าใจใหลวงพ่อสอนอะไรเพราะวิธีการพูดมากก็สอนอะไรโยไม่ค่อยได้หรอกการทําให้ดูอยู่ให้เห็นจะสอนได้มากกว่าคือหลวงพ่อจะเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆไม่หลงไหลล้าสักการะรักธรรมชาติอันนี้เป็นนิสัยของหลวงพ่อ ซึ่งถ้าเราทําตามพี่หลวงพ่อสอนเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขแล้วก็เอื้อเฟือ้อจากการปฏิบัติธรรมด้วยที่พ่ามาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็พอสมควรแต่ว่าที่จริงมันถ้าพูดจริงมันยาวกว่า น, นี้นะเพราะเวลามันหมดเรื่องหลวงพ่อเนะีพูดได้ไปชั่วโมงแหละคือพูดวนไปเวียนมาแล้วก็นึกอะไรออกก็พูดพ่อมาไม่ได้เตรียมเรื่องแต่คิดว่าก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่องกร อ, อีกครั้งหนึ่งกอ่อกรไปเกิดหลวงพ่อแหละเพราะว่าตอนแรกๆก็ยังท่อง ทอปิดท้ายอีกวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานหลวงพอ่อพระและญาติโยมจะยุ่งหน่อยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คือว่าแขกจะแขกจะมาเยอะแขกไปใครมาเราจัดเตรียมสถานที่ซึ่งทุกคนก็รักหลวงพอ่อและหลวงพ่อก็รักทุกคนเจ็ดสิบแปดปีผ่านไปมีไร้ค่าทุกเวลาทำประโยชน์ไม่อยู่เฉยประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านมีละเลยไม่วางเฉยทั้งทางโลกและทางธรรมทาให้ดูอยู่ให้เห็นเช่นนั้นด้วยถึงกายป่วยก็ไม่ทุกข์สุขสดใสจิตยิ้มเองไม่เสียแ้งแกล้งหลอกใครสิทธิ์ทั้งหลายน้อมใจกาบวันทาพิเรศเปรียบเหมือนหมาสติเหมือนช้าง หมาห่าช้างเห่าเท่าไรช้างไม่หวั่นไหวรู้ซื่ อ, อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรเห็นความคิดจิตอยู่เหนือโลกกระทํหลวงพ่อแม้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยบอกสิทธิ์ด้วยมันไม่เที่ยงอย่ามัวหลงอย่าประบาทในวยัยอาจตอมตม รีบเจริญสติรู้สึกตัวก่อนสายเอ่ยก็จบแค่นี้ขอฝากสุขความเจริญธรรมจงมีแกาญาติโยมทุกทุกท่าน